คนพบคนทาแข่งความดูบแลย่ในสามเดือนข้างหน้านในสองเดืข้างหน้าให้รรประจักแสดงปราตูมดพิษนาอันนั้นเป็นกัวตีกรารประกาศสาสสารขั้งแรกก็เป็นการพบยี่ทุทศหกผากบันซึ่งก็มีคำคำเรียกผู้เจ้า อ, อย่างเียหลายท่านคงไม่มีโอกาสที่จะได้รู้เกี่รรยวกัช นศตวรรษเพราะว่าไม่เ <Barn> กิดแต่ว oh ่านีคนละทุกคนก็ได้มีโอกาสได้เป็นปัจจัยยานแหตงการที่พระพุทธศาสนาดำรงคงอยู่ครบสองพันกร้อีเลยกะในช่วงสุทนด้าสุขเพวน รพระคสารพุชาซึ่งจะมาถึงในไม่นาล น, นี้ตอนที่เราเกิยันของพระพุทธเจ้าก็ได้พอเป็นวันพระพุทธเจ้าประสูบสศัล์แล ะ, ะตกลงิพพานอันนี้เมื่อเป็นวันของพระพุทธเจ้าก็เป็นโอกาสที่เราจะได้จารึกถึงพระพุธทธองค์เราจะจรึกถึงพระพุธทธองค์อย่างไรดียืนยนบางอย่างทั้งต่อชีวิตของเรา แล้วก็ต่ อ, อศาสนาถ้ากลรนึกถึงพระพุทธองค์ในฐานะที่คงเป็นมหาบุรุษือพระองค์ศาสนาที่คนกรุ่มลสาาปนาพุทธศาสนาขึ้นอันเป็นศาสนาที่เรานักถือทำ ใ, ใ, ให้เรามีความภาคภูมิใจที่ได้รู้ว่าเปชาพุทธ ถ้าเราเรารอ้ถึงพระพุทธองในแง่มีเป็นพระบรมศาสดาก็ดีเป็ดพระมหาบุรุษก็มีเราก็จะรู้สึกถึงความกตัญญูที่ต้องตอแทนบุญคุณท่านมีใช้ด้วยอาบิสมุชานั้นแต่ด้วยปฏิบัติบูชาหรือว่าเราอาจจะเรารู้ถึงพระพุทธองค์โดยจอดตรงปที่ทุทคภูหรือว่าพระภูมิสมบัติ ที่เป็นแก่แท้ของพนะพุทธ본ซึ่งแต่ที่ดีแล้วเนี่ยก็เป็นการแสดงถึงสรียภาพของมนุษย์ที่จะรับการพัฒนาอย่างสูงสุดหรือเลืกเลือกพระุทธพิโรมในภานที่เป็นตัวแทนแห่งธรรมะที่โรดสมเปนก๊ ซึ่งในแง่นี้ก็หมายความว่าการเข้าใจธรรมะเข้าถึงธรรมะ ก, ก็คือาการที่เราได้เพ้าถึงพระทองอย่างที่มีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเพื่อเห็นธรรมต้องการยอนกับมทาทำคมนี่ก็เป็นวิธีการระลึกถึงพระพุทธ อ, องในแง่คือไม่ได้รือในแง่ทั้งหมดเป็นพระสงฆศรัทธา ก็มาด้แต่มุ่งจ่อตรงไปที่ พ, พุทธคุณหรือพระคุณสมบัติหรือพระธรมรม ท, ที่เราได้ถ่ายทอดแสดงออกมาถ้ารเราเรารู้ถึงพระองค์ในแน่นี้นะก็ควรที่จะได้ที่เจะรณาต่อไปว่า พ, พุทธคุณหรือพคุณสมบัติอะไรแล้วที่ทําให้พระองค์ ได้เปลี่ยนจากผู้ดูชนชนธรรมดาจนกรทั่งได้าดกายเป็นพระเจา้าซึ่งถือว่าเป็นย อ, อดนมนุษย์เป็นผู้ที่เลิศ ก, กว่ามนุษย์ตลอดจนเกวดาทั้งปวงถ้าการยังสรุปยุบย่อแล้วพุทธคุณแล้วก็คุณสมบัตที่ทำให้ เราปของเจ้าเป็น ท, ที่รรกอของเรามีประการอันที่หคือปัญญาคุณที่คือระปิาคุณซึ่งมาสุสวประาที่าคือวสท่คุณความรแต่ว่าความรสคุณจะเป็นผลมาจากุองประการคื อ, ร อ, นน อ, คอพระปัญญาคุณ และวามปรินาคอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดที่ทำให้อดีจชาสชิตพัฒน์ได้ดกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะว่าพ ร, ระปรินาคูณนั้นเนี่ยได้ทำให้พระองค์ได้จัดแจงประจักษ์ชัด ในความตริงของชีวิตและโลกจนกระทั่งสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้และเมื่อพระอหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็เป็นเหตุให้พระกรุณาคือของพระองค์ได้แผดพยาม่มีประวารเพราะว่าเมื่อ ละวางความทิติดมั่นในตัวตนหรือเท่าที่เราเรียกเป็นภาษาชาวบ้า น, นว่าเมื่อหมดตัวตนแล้วหรือหมดความมีใน ต, ตัวแล้วจิตของพระองค์ก็แถกว่าจะไม่มีประมาณเป็นจิตที่ไรขอบเขตเป็นจิตที่ไรเขตแต่ก็ทาให้พระองค์เนี่ยทรงมีพระเมตตา ม, มีพระปุณา อย่างยิง่งใหญเป็นความรักความเมตตาที่ปราศจากความมิจนตัวตัวแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขนะเรียกภาษาสลาฟคือเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีการเลือกที่รักมามที่สัง อย่างที่เราเคยตั้ง ว, ว่าพระรงค์มีความรักรความเมตตาตอ่อพระเทวทัตเข้ากับพระรามพระรามนี่เป็นพระโอรของพระรงพระเทวทัวตที่จะเรียว่าเป็นผู้ที่หมายปองร้ายต่อพระองแต่พระรงคก็มีความเกลียดชังเลย้แต่น้อมีความเมตตาตอ่อพระโทวทัต เท่ากับที mm ่ท่งมีต่อพระเรานี่คือเมตตาหรือกุาลคุณที่ยิ่ใหญ่ที่เป็นพระคุณสมบัติหนึ่งในสองประกาศที่สำคัญที่ทำให้เกิดราบุญอย่างพระพุทธองค์ขึ้นมาดังน้นเราลองพิจจรณาบทคำว่าสมนฺทน เรื่องคำว่าเชาถ้าหราที่จะรลักให้คนก็นจะพบว่าอาุปตุคุณนะที่โดโดเด่นของโลกนสองประการก็คือปัญญาคุณแนละพลัาคุณท่านเคยไปประเทศพมากถ้าว่าได้โนกกาไปเมืองทุกกา จะมีวัดวัดนึ่งชื่อว่าอ น, นันทวิหารวัดนั้นเนี่ยมีจุดเด่นที่เป็นที่รู้จักในหมู่นท่องเที่ยวหรือว่าชนขึ้นเนือชนเขชนเข้ามากก็คืว่ามรูปที่เรียก ว, ว่าชาวไทยเรียก ว, ว่าพรกท่องเที่ยวไทยเรียก ว, ว่าพุทธรูปพระญิ้แล้วก็พระบึคือมองไกลใ น, ในี่จะเห็นพระโอรสยิ้ เป็นพระพุทธรที่สูงใหญ่มากวางสูงกว่าสิบเมได้ทำต้นไะม้อายุายนักพันปีมองไกลๆจะเห็นพระองค์เนี่ยพระพักตร์ใหญ่ีนแต่มองใกล้นี่จะเห็นพระพักรเนี่ ย, ยนิ่งคือบางคนเรียกว่าเป็นพระพักที่เบิกแต่แต่ตาบารมีมองว่าเป็นพระพักที่แสดงความนิ่ง อนนี่เป็นภาพที่แสดงถึงพระบุญสมบัติของพระพุทธองค์ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากก็คือแสดงถึงพุทธคุณสองประ ก, การในเวลาเดียวกันก็คือประการแรกพระเมตตาพระกรุณาคุณ พ, พระกระกุณาแสดงออกด้วยรอยยิ้มยิ้มพรือแม้แตตาต่อสรรพสัต ไม่ว่าจะเป็นใครคนรวยคนจนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐียางจดหรือแม้แต่สมณะหรือว่าโจรผู้ร้ายก็จะได้รับรอยยิ้มจากพระองค์เสมอเนเมื่อมองจากที่ไกลแต่เมื่อเข้ามาใกล้เนี่ยก็จะเห็นว่าคุณสมบัติสี่ประการหนึ่งความนิ่งความนิ่งเนี่ยไม่ใช่เบืน่นิ่งเพราะว่า พระโลกเนี่ยทรงเปลี่ยนไปด้วยปัญญาปัญญาที่เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตซึ่งมีความทันผวนแปรโผไม่ไม่แน่นอนไม่จิงังยัง่งยืนก็ฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้พระองค์เนี่ยติดใจนิ่งสงบนิ่งสงบไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบ พระปัญญาคุณก็ทำให้พระองค์สงบได้ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านีนะ้มันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถึงมั่นได้สัญญาความนิ่งนะเกิดจากพระปัญญาคุณที่ทาให้จิตเ น, นี่ยสงบและนาไปสู่ความร่วมนีอ คนหนึ่งมองมันเป็นพระพื้นในกนรารบำบัดความเดือดร้อนตอนนี้นพัฒนาทักษะคุณเนี่ยสอประการมันสำคัญอย่างไรมันสำคัญเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธก็ควรจะพัฒนาขึ้นมาให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราด้วยในทางคือเราเป็นชาวพุทธเราก็ย่อมต้องเจอเรื่องราวการกระหอบ ไม่ใช่มีแค่ขอรกสักการะหรือว่าอัญเชิญพระองค์ไว้ลงที่หรือว่ามีไว้เพื่ออธิษฐานขอพออรจากพระองค์านั้นแต่คือพิจารณาพรงเป็นสมบัติอ่างของชีวิตในวันนี้ที่เราควรไปให้ถึงหรือพัฒนาตนไปให้ได้มากที่สุดถามว่าจะพัฒนาตนไปอย่างไรก็มีธรรมะมีสอน ข่อสองประการใหญ่ๆก็คือพระปัญญาภูมและอารนามภูที่อรกแล้วเนี่ยสิ่งที่แสดงถึงวามันก็โตเองนี้มากกับนัพุทธบาลมีเนี่ยมีส่ประการเป็นมหาบารมีเตการณ์สีเนธัมบะนิฐานกนติวิรยิยะภูเหขาแล้วมู้นใจสาคัญเนี่ยมีสองประการคือพระปัญญาภูม ภาพปัญญาบริรุแล้วก็มากุศลาระวังคุณมากุศาระวัซึ่งทั้งสองประการนี้เนี่ยเป็นหัวใจที่เราเชาวพุทเนี่ยควรจะรือไปหลังในการพัฒนาตนพัฒนาที่เกิดขึ้นในกี่ในใจของเราปัญญามีความหมายว่าอย่างไรปัญญานั้นเนี่ยหมายถึงความแจ่นสัดในความจริง ของโลกในความจริงของชีวิตในถึงความจริงที่ที่ปรากฏหรือว่าที่ที่ครอบคลุมสรรพสิสส่งเยาวาสำคัญพูดจะเป็นลูกนะหรือว่าแก่นชัติในปัตตานี ก็คือเห็นว่าสังขารมั่ววงนั่นเนี่ยมันไม่เที่ยง ม, มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนถ้าว่าเห็นอย่างแจ่มชัดว่าสิ่งมั่ววงเี่เรืสังขารมันไม่กี่รังย่างยืนมันเกี่ยวไปทีทุกข์แล้วก็มันไม่มีตัวตน ท, ที่จะให้ยึดมั่นถือมั่นหรือให้พึ่งพาอาศัยได้อันนี้ ก็เลยว่าเข้าถึงสัจธรรมมีปัญญาเข้าถึงสัจธรรมตำข้าทุกข์ไม่เที่ยงอันนี้ไม่ได้หมายถึงสีหน่องตัวเองทำไมมายถึงตายและใจของเรามันก็ไม่เที่ยงมันเป็นทุกมันไม่ใช่บกรโกไม่สามารถที่จะบัเพ็ญทุกข์หรือบำเพหรือบัญชาให้ไปไกลกั ใ, น ใ, นใจเราได้ ร่างกายนี้รางที่ว่ามันเป็นของเราแต่เราสั่งมันได้ไหมไม่ให้แก่ไม so like the like so ่ให้เจ็บไม่ให้ปดเยเราสั่งไม่ได้ที่เราสั่งมันไม่ได้เลยสักอย่างนะเราปลูกต้นไม้เราสั่งต้นไม้ให้มันขึ้นรูนี้มันก็ไม่ยอขึ้นอย่างที่เราอย่างที่เราสั่งออย่างที่เราต้องการแม้แต่สัตว์เลี้ยงเราจะสั่งมันบางทีมันก็ไม่เชื่อมันก็ไป่ัง จิดใจก็เหมือนกันติดใจก็สั่งไม่ได้ถ้าจิดใจเป็นของเราตีเราก็ต้องสั่งได้ว่าไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้โกรธไม่ให้โมโหถม่ให้ประมาทสงกแต่เราก็สั่งไม่ได้ผลก็ ค, คือบางคน น, นอนไม่หลับกินไม่ได้ต้องพื้งยาแต่ขณาดกินยาแล้วก็ยังไม่หลับเพราะว่าใจมันไม่ยอมหยุดคิด มันคิดเหมือนกับว่ามันมีชีวิตของมันเองฉะนั้นก็เป็นลากลารของความสะท้อนสมารถที่เป็นขนงการตามทีม่อาจจะตัวกลัวปัญญาจะมีความหม า, ายมากไปกว่ น, นั้นเช่นการที่เราได้เกิดความเข้าใจแจ้งแจ้งในสิ่งที่ เิ่งข้อจำกัดหรือว่าตัวของของตามมาสุตามสุก็มายสุขที่เกิดจกากตาเกิดจากรูปรสติเสีส็จสำผัญหรือสิ่งที่น่าใคร้าน่าพอใจคนที่าดปัญญาคี่คิดว่าวัตถุเงินองเนี่ยจะให้ความสุขแก่เราได้มันก็ให้ความสุขอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันเกี่ยเรื่องุ เราดวงเดือด <elet> ันก็ว่ากางสุมเดือมันก็ว่าฟานใต้ใต้ที่ประทังด้วย้าแห้งเมื่อตุดขึ้นมาเนี่ยมันก็สว่างมันให้แสงสว่างแต่ว่ามันก็มีฝานเยอะกระทายตาคายจมูกไม่นำซ้ำถ้าถือไว้นานเนี่ยมันก็จะไหมจนระทั่งลวกคน ลวกแข็ได้อันนี้พระพุทธเจ้าเปลียนหรือว่านี่คือพทษตางสุดคือมันให้ความสุดให้ความพอใจแก่เราก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นที่ทุกมากเงินทองก็ให้ความสุขกับเราช่วครันช่วยทางแต่ว่าทำให้เกิดความทุกข์ควบคู่กันไปนี่เรื่องเราว่า สมัยที่หลวงปู่อยู่โครงกรหลวงท่านบาราาแต่วงปูท่านเป็นที่รู้จักที่ดีของคนโดาครานึงเนี่ยก็มีโยมคนมางกรท่านแล้วก็บอกว่าเพิ่งไปเช่ารกบพุทธมาเาะว่าจะรวยเชื่อว่าถ้านีรถกบคุณแล้วเนี่ยจะร่ารวยหลวงปู่ดูท่านก็ฟัง ก็พูดว่ารวยกับสวยเหมือนใคนะ้เหมือนกันก็ถามว่ามันใกล้ยังไงรวยกับสวยนะมันไม่ไดใกล้แล้วก็รวยที่นั่นถือเป็นดีเป็นใครรวยเอะหรือว่าโชคดีผมพูดถึงว่ารวยกับสวยมันใกล้กันไม่ใช่ใกล้กันเป็นเพราะแค่ว่าเขียนเหมือนกันเท่งนั้นนะแต่ถ้าบอกว่ารวยเนี่ยใครที่อยากรวยเนี่ยมันก็เหนื่อย ในการที่ต้องไปสรางงาได้มาแล้วก็ต้องทุกขกับการรักษาแล้วก็ทุกขกับการที่คอยหวาดระแวงว่าจะมีคนมาเอาปังให้ความรวยเนี่ยมันทําให้เกิดทุกข์ตามมาในหลายขั้นตอนเลยเกิดท่านเกิดบอกว่ารวยกับสวยไม่เหมนกันอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเป็นความจริงนะซึ่ง ผู้มีปัญญาท่านนั้นที่จะมองเห็นว่าการตาเนี่ยมันให้ความสุขเกียรติแล้วก็แฝงไปด้วยโทษมากต้องกับปัญญาหมายถึงความเข้าใจในเรื่องไตรลักษณ์ความเข้าใจหรือห็ชัดในเรื่องของตวกาวสุขแล้วเนีย่ยังสามารถจะเห็นได้ถึงว่าอะไรคือร่างกายของ ที่ว่าราของความคื่ใหม่หรือความคู่ใจนีไอ้ความคุ่ตายนี่มันก็อันอยูซึ่งไม่มีใครดคนเช่นความเจ็บความป่วยแต่ว่าความคุ่ใจเนี่ยอะไรคเรองของความปัญญาสมัยนี้กางที่กาดคชัดว่าความคู่มันเกิดจากความมิติถือมั่นเกิดจากความมิติถือมั่นในตัวตูวของผู้ไม่มีมิตถือมั่น หรือว่ามีตกวของกูนันตันภาษาไทยว่าอัตวารูปปาทาซึ่งเป็นอุปทานอื่ด้วยเช่นการรูปปาทานอุปทานในความยึดมั่นยึดมันยึดมั่นในการท you kind of ี่มั่นในทิศที่ยึดมั่นในปางช่วงตัวตนกุญแจที่มั่นยึดมันในรูปปาทามันเป็นที่มาของปางด้วยจากนี้ความยึดมั่น ว่ามันเป็นเราเป็นของเราก็ไม่มีปัญหาที่จะโต้เถีงามได้ถ้าคนเราคิดว่าเราต้อ ง, ง, ต, องต้องคนอื่นทุกเพราะสิ่งอู่นแต่ถ้ามองให้ดีมีบรรดาหเหตุก็จะพบว่ามันเป็นเพรความคิดมั่นถูกมั่นค่างาาพูดที่ไปถูกใจเราที่จริงแล้วเนี่ยมันเข้าหมูซ้ายก็เท่าหมูขวาได้เลย คนพูดเขาก็มไปแล้วขอาพูดอะไรแต่ทําไ ม, ไมยังพูดอยู่เขาก็เราไปยึดมั่นถือมั่นกับคำพูดหลเรานะั้นไม่อยอมปล่อยนี่อยอมวางสักทีสมัยนี้กที่เรานั่งใ น, นห้องแอร์อากาศเยนสบายนะที่นั่งก็เป็นเบอะนิ่แต่บางคนทำไมยังพูดเขาก็ใจเนี่ยยังไม่ปล่อยวาง ในเรื่องที่มากไปแล้วโทรศัพท์หายเงินหายก็ยนะังทุกเกิดความาคิดหรือแม้ก็าำวัว่าสิ้นสิ้นเดือนนี้จะเอาเงินที่ได้มาจาม่ายหนะี้หรือเป็นคำวันว่าลูกอาทิตย์หน้าไปสอบเป็นทรานหรือสอบข้ามวัดที่ไหไม่รูเช่นไม่รู้จะได้รือเปล่ า, าเรื่องนไม่เกิดขึ้นเลยแต่ว่าได้เก็ดความคิดอันนี้ก็เป็นความที่มันถือีกอีดางซึ่งมันทให้เกิออคดความทุกข์ ยัาไม่ต้องพูดถึงความทุกข์ที่เลื่อนไปกน่นด้นยถ้าเราไม่มีปัญญามองเห็นแล้วว่าจจความทุกข์ใจมนเกิดาความิดังูกบงเราก็จะไม่มีทางที่จะากความทุ่ขดเพราะเราก็จะเลืมอนอยู่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางสทีส่วนก็เพราเราไม่เข้าใจเรื่องไรลักษณไม่เข้าใจในเรื่องของการที่สิ่งตา่างนี่มันแปรปรวนไป เงินหายของหายก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างมันเป็นของที่มาช่วคราวมันไม่ใช่ของบริษัทแท้จริงเราเป็ น, แ น, ป น, นยแค่ตัวแทนรักษาชั่วคราวเท่า น, นั้นเองถ้าไม่เข้าใจเรื่องรายรับไม่มีบรรดาเรื่องรายรก็จะต้องรอกนะไปเถื่อนที่มันมนีควา ม, ม่พอ ปัญญาในวันนี้การที่เราเข้าใจหรือเห็นชักว่าสุขที่แท้จริงคืออร่อยไม่ใช่การสุขแต่ว่าเป็นสุขที่ประเสริฐในสุขที่ประณีตแบบนั้นซึ่งคือที่สืวอวิลคณิภานสุขที่แท้จริงเป็นสุขกทีอสุข นั่นญญีัได้ที่ยถึงการมองเหนโลกไปในแง่ที่มันหน้ามืทซ่อบมองถือมันไม่ทีรามันเป็นผู้มันไม่ให้ตัวตนอันนี้เป็นการเป็นการมองความจรินในลักษณที่เป็นภาษาสมา น, นั้รียกเชิงปริเสธแต่ทีดะเนี่ยปัญญาเหมนการที่มองอีกด้านของของด้านของความดีมันไม่ได้มีแต่ทพิ่มเรื่แต่มันมีสุดด้วย แต่เนสุขที่ไม่ใช่เป็นสุขที่เกิดจาการที่มั่นถือมั่ น, ในรอครองที่เราอยาจะอครองวัตถุสิ่งของแต่เปนสุขที่เกิดจาการที่จิใจเนี่ยปล่อยวางละวางในความทีมันม่นถือมัน่ม น, ม น, ท น, นที่เป็นอิสระการที่ปัญญาเห็นว่าสุขที่แท้รื่นี้ี่อยู่และที่เราเข้าถึงได้ นี่ก็เป็นตัญอย่างเหมือนกันรดยถึงการที่เห็นรู้ว่าหนทางสู่ความสุขที่ประเสริฐสุขะเนี่ยรักเบรมสุขนั้นเนี่ยคืออะไรคือเข้าใจว่าเห็นทักว่าสีหรือพูดเต็มเลยแบบที่เสิ่อสิตา สมาธิหรือว่าอตติิสาปัญญาหรือว่าอัิปัญญาสิานั้นเนี่ยเสนหนทางสู่ความสุขที่ประเสริฐสุขได้ก็คือการสิทธามันเองหรือกะประจายมาเป็นาแบบบางสนการก็ได้เนี่ยบามทีบาอย่างนะว่าให้ปัญญาที่พูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรซึ่งถ้าพูดอย่างสรุป ให้สร้างจุดปัญญาที่เข้าใจความจริงที่เรารู้ว่าไ น, นื้สัตว์สีการที่เห็นความจริงว่ามันเป็นมันไม่ใช่มันเป็นทุกสัตว์การที่เห็นว่าความทุกข์เนี่ยมันมีร่างเงาในความที่มันถี่มันการที่เห็นว่าข้อจำกัดของการสระสบึ่งเจอโด้วยทุก เราก็เห็นว่าสุขที่แท้ั้่ดีและผลตามสุขที่แท้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำได้อันนี้คืออษษษษนิยสัจสี่อันนกสมุษษนไพรมโรสหวาแต่ตางที่เราเราเราจาเราต้องได้แต่ว่าให้เข้าใจความหมายมีเืออะไร ปัญญาเนี่ยนะคือความเข้าใจถึงความจริงเห็นแต่ชั้นไอธรรมสี่ประการนี้ซึ่งสามารถปฏิการสมาได้มากมายอย่าที่อานาลได้บุญดีนี่ยถ้แต่ ว, ว่าเรามีปัญญาในแน่ที่พูดมาซึ่งเป็นปัญญาต่างๆไม่ใช่ปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกนี่เป็นเร่องของ แต่ที่ได้พูดปัญหาทางธมนีถ้าเราเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ร่มเย็นและเง็นบสงบได้ซึ่งอันนี้อาจจะสนทพนกับความเข้าใจของคนในยุคปัจจุบันซึ่งไปมองว่าวัตถุหรือว่าเงินทองเป็นสสาะ ถึงแม้ถ้าชาวพุเองเนี่ยก็ไปก็ไปหวังเอาความมมีสีสุดเป็นสากลเวลาไปวัดเวลาไปทําบุญเนี่ยเราขอขอว่าอะไรเราขออะไรเมื่อเราทำบุญเสร็จเวลาตกาสสา ร, ราสังฆาลามที่ถามว่าอะไรส่วนใหญ่ก็ที่ถามว่าขอให้มั่งมีสีสุดขอให้ร่ำรวย ขอให้มีอขขายุบรรพสุขพยาซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนั้นไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าอันนั้นมันยัไม่ใช่เป็นสารณะสูงสุดอันนั้นยังไม่ควรเป็นประโยน์สูงสุดท่อที่ชีวิตจะเป็นได้สมมุติว่าเราได้อย่างที่ที่ถ่านไว้คือร่ำรวยบ่างมี เจอเรื่องอายุวัฒนศิลป์ทำไปว่าเราคิดว่าเราจะไม่ถูกข์หรืเปล่าคนที่ร่ำรวยแต่เป็นโรคประสานแต่เป็นโรคนอนไม่หลับท่านขางนี้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนอนไม่หลับบางคนถ้าโดวตายก็มีมีเงินเยอะแยะแต่ว่าเป็นทุกข์เพราะว่า เสียคนรักภูมใจอย่างมีพระราชาจากกักรพรรดหลายคนเนี่ยมีความทุกข์เมื่อคนรักตายจากปลายางคนที่สร้างอ่ัชมาฮาเป็นจกกักรพรรดินีมีอำนาจยิ่งใหญ่แต่ว่าพอ มนเหยี่สีมุมตาเนี่ยตายไปๆี่ทิ้งไม่ได้ไม่หมดต้องคนเป็นกระสับแต่ว่ากลัวคนก็จะมายึดอหนาระแวงคนใกล้ชิดระแวงลูกระแวงแม่กท่าอ่าแม่อันนี้เ็ตัวอย่างคนที่แม่ก็จะมี อำนาจวาสนาหรือว่ามีเงินทองมากมายมันก็เร่ได้แบบดว่าจะมีความสูงคนที่มีอายุืนเป็น100ปร้อยปีเขามีความสูงนะมีเพื่อนเล่าถึงคุณยายข อ, ของเขาคุณยายมายการศอกษาสิบีนะพอถึงวันเติบ น, นะญาติลูก ม, มีลูกมีญาติลูกห ล, ลานหลานก็มาผยพรขอให้ คุณยาคุณยายอายุยืนอาุอืนรอยปีออยุยืนให้เกิดต้นโรล่ส้มใส่กันนานคุณยายก็ไม่เอาแล้วหลานเอดเคยเอ๋รับคอไปจนกรทั่งอายุถึงปูนนี้แล้วก้าสบกวปีแลทุกเรือนเตินไม่ขอรับคอนนี้แล้วนะนี่แสดงว่าอายุยืนก็เป็นตัมีความสุข รวยก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุข่งขึก็ไม่ได้แปลว่าจะมีควานนมสุขติว พ, พันของสายก็เหมือนกันบามทีคนที่มี อ, มอม า, ายุวันสุขับเลาเน่เป็นประเททุ ก, กมาแต่แล้วนี่ที่นำให้คนเราเนี่ยมีความสุขีิ้ ร, ร่เย็นยั่งยืน สำให้คุณใจสามารถปัญจาปัญญาความเข้าใจความจริงของชีวิตเมื่อประสบกับความมังพูนว น, นแรงลูกล้นหายเมีรเยรายจาก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตก็ไม่ทุกขอะไร อย่างในชาติกเนี่ยมีเรื่องของครอบครัวําวนาครอบครัวทุกเช้าเนี่ ย, ยพ่อลูกชายแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็จะไปทํงานแต่เช้าเลยแล้วพอสายาเนี่ ย, ล, ย, ยลูกสาวจะกลับมาที่บ้านเพื่อมาเอาอาหารไปให้ ทั้งสองคนวันหนึ่งไปทำงานแต่เช้าพ่อบอกว่าลูกชายถูกถูกมูนฮิตกัดตายพ่อแม่เศร้าโศกกอะไรบอกลูกสาวว่าเมื่อกลับไปบ้านให้บอกว่าอาหารเนี่ย ไม่ต้องทำให้พอสำหมับสามคน เ, เอาแค่สองคนก็พอแล้วก็ให้แม่ให้ภรรยาของคนตายเนี่ยมาที่ที่นาโดยที่ไม่ได้บอกอะไรเนะว่าเกิดอะไรขึ้นลูกสาวมาก็บอกแม่ว่าอาหาวันนี้แค่สองคนพอแล้วก็ให้ไปป้องกันที่ที่นานแม่ก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อไปพร้อม ห, หน้าก็ทําพิธีเผาศพไม่มีใครร้อมห้ก็มีคนแก่คนหนึ่งเดินผ่านมตามไม่รู้ว่าเป็นพระดินนะพระดินที่จะมาทดสอบด้วยจะมามามนดูว่าเกิดอะไรขึ้นคนแก่มาเห็นมีการเผาศพก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่ตายในไฟนะ พ่อก็บอกว่ารูกชันในที่ป่าชายแก็้วกถามว่าเลอะไม่เห็นมีใครร้องไห้เลยพ่อก็บอกว่ารูกฉันเนี่ยนะรักที่ร่างกายเหมือนกับหมูร้องคราตอนนี้เขาถูกลักเขาถูกเผาไม่อรับรู้ความเจ็บปวดร้องไห้ร้องไ ห, ห้ซอนโศกหลก็มึนติดอยู่ ผูเลยนหน้าบอกว่าเมื่อต่อมาเขาก็ไม่ได้ขออนุญาตเพื่อต่อไปเขก็ไม่ได้สอบต่อเนี่ยอไปมันก็ไปอีกนั้นก็เลยใม่เสียใจน้องสาวบอกว่าร้องไห้ไปก็ผายคอก็จะเป็นภาระเป็นห่วงเป็นภาระแบบยากจนอื่นเขาไม่ต้องห่วงก็เลยไม่ร้องไห้ ส่วนภรรยาเขาบอกว่าร้องไห้คนตายก็ไม่ต่างจากเกด็กที่ร้องไห้ขอขจัดมันเป็นใจไม่ได้ส่วนคนไทยบอกว่าแก้วน้นที่อ่าห้อที่แตกันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะประสานให้คีกันได้แต่ร้องไห้คนตายก็มีปีกเพราะอย่งก็ไม่สู้เพื่อเยหลืได้้ อ, ไองไหง้อันนี้จะเป็นตัวอย่างคนที่เข้าใจความจรของชีวิต ว่าเกิดมาแล้วต้องตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนรักคนใกล้ตัวเสียชีพก็ไม่ได้ทุกข์ใจนี้คือความหมายว่าการรู้ปัญญาต่อใจความจีิงขชี้ิเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ท่าสูญเสียแต่ผู้อย่างนี้เนี่ยคนทั่วไปก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะว่าเป็นคํามปุถุชน ก็ย่อมมีความมีความรักความคุ้มคงแต่ว่ามันก็มีปัญญาในกรารลองมาที่ช่วยทําให้เราเนี่ยรับมือความทุกข์ได้คือเราต้องยอมรับก่อว่าที่เราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดไม่ว่าจะมีเงินทองมากมายแค่ไหนไม่ว่าจะมีสิ่งเงินที่ ที่ยาต่างๆนั้นเองใดเราก็ไม่สามารถจะหนีกับความอันปวดปวดแสบของชีพได้ความแก่ความเจ็บความป่วยเป็นสิ่งที่เราไม่หนีคนความพังท่าสูญเสียความไม่สมหวังเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีคนในเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยความพยายาที่จะป้องกันให้เกิดขึ้นเลยย่อมเป็นไป้ ตามี่วเพื่อเกิดขึ้นเราจะรับฟูนสมารถอะไรการรับฟืนก็คือการที่เรามีปัญญาพอที่จะวางใจได้ถูกแน่นอนถ้าสมมตว่าเรามีปัญญาเข้าใจเรื่องการตัด้อย่ารแยกนแจ้งเราก็ไม่พูดซึ่งเรากควรจะพัฒนาปัญญาของเราให้เป็นอีกอย่างด้วย ในชาพูดเราสมัยก่อนเนี่ยกาทความนีเนี่ยตอยู่ผนทีจราเรีว่าปีหาปโดยบางครั้งพเคยรส่วนเดเรามีความอยกเป็นธรรมดาแต่โลกความอยกตไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแต่โลกความเจ็บแต่ไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาแต่โลกเความตาย่ไม่ได้ เราจะปาคภัณของรับอของชอบใจขอนั้นแล้วก็เรามีกางอยงสอตนบทีจะได้มีความช่วเหลือช่วะสีประจำนี่เป็นเรื่องรอรมณีจระดเพื่อทให้เราีเกิดปัญญาเข้าใจในเรื่องความจริงชีวิตเพราะแต่ละเนี่ยเพื่อเกิดความกระโกาที่ชีวิตววเรากา็เราก็ไุกตลอด่ นั่นเป็นปัญญาในแบบที i, code, ia, ait, hay, hay ่ช่วยช่วยทำให้เราอยู่กับกได้แต่ถ้าว่าเรายังฝ่าไม่ถูกตรงั้นเราไม่สามารถมีใจแจ้งได้อาจารยาก็อยากจะให้ให้หลักคิดหรือวิธีการที่ช่วยทาให้เราเนี่ยอยู่กับความทุกข์ได้โดยที่ไม่ทุกข์อยู่กับสุขเสรีได้โดยที่ไม่ทุกข์ใจก็ได้ถึงการที่เรามี่กับปัจจุบัน รู้จากอูกับปัจุบันอู่กับปัจจุบันหมายความว่าการที่เราเนี่ยไม่อะไรในดีกแลก็ไม่เกี่กับเวลาคนส่วนใหญ่ความทุกข์ที่มันทำให้เราทุกข์ใจเนี่ยมันเรื่อแต่เป็นสิ่งที่หนึ่งทั้งเช่นเวลาในดีตก็สอบเป็นเรื่องที่ไม่เกดขึ้นความทุกข์เราส่วนใหญ่เนี่ยเท่าหกสิอเนี่ย มารู้แต um. mo e ่เร so, ื่องที่ผ่านไปแล้วหรือเรื่องที่มาไม่จึงเราทำมาไม่หลับก็เพราะเราจมวงกังวลถึงงานเราถึกขึ้นหรือว่าเราต้องเสียใจกระการต่าทำที่ผ่านไปแล้วหรือว่าแก้งใจกับการทํำคนไกลบางคนหรือเสียใจกับความสูญเสียเงินหายของหาย ก็ปลุกใจจนน้องแม่ครับทั้งที่มันก็เกิดขึ้นแล้วเสียไปแล้วปลุกใจอย่างไรก็ไม่ทําให้มันจับตื้มาได้แต่เราก็ยังเด็กกว่าคิดความกัวลจะเป็นอย่างที่ทำให้เราเนี่ยเป็นทุ้ฝากความกังวลของพ่อแม่ความกังวลจากนายความกังวลลูกนองของปริยาสามีโดยทั้งเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อย ให้เก <qualquer> ิดข pues mm ึ้นทานนี่สิ่งีต้องจ่ายนะสิ้นเงินสิ้นปีเราถึงหลวงพ่อพยองนะหลวงพ่อพยองท่านวัดสวนแก้วที่หลุนนอนเนี่ยบูรพทิศวัดสวนแก้วหนึ่งไปกู้เงิน การทํานตามมาเป็นสิบล้านมาพัฒนาว่าช่วยเหลือชาวบ้านที่เหลือยการจนก็มีคำถามว่าพ่อเป็นที่มากมายเนี่ยไม่ทุกหรือท่านบอกว่าจะทุกไปทําไมไอ้คนที่ควรทุก็คือเจ้าของเงินว่าเรามีปัญญาจ่ายเงินทุกเหล่าถ้่ท่านไม่ทุกหรอกไม่ใช่ท่านที่จะเดียวเนย รือใครก็ไปที่เดิมแล้ก็พยายามหาเงินไปแต่ท่านจะมาเป็นตัวองิน้นเดือนนี้ได้กี่ีถามไดเท่าไหร่ก็จ่ายสิ้นปีนี้ถามได้เท่าไหร่ก็จ่ายรับผิดชอบแบบปล่อยวางรับผีชอบแบบปล่อยวางคือรับหีสีนให้รับผีชอบแต่เราไม่หอมเป็นตัวมื ก็ทําให้เรามีมีเรื่องมือแรงมีสติปัญญามีจิตใจใจใสที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าเราเอามากังวลนะสมองเราก็ตื่นจิตใจเราก็เศร้หมองต่ที่หาตามบอกมันก็ไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็ น, นเนพราะว่าสมองตื่นเพราะว่ากังวลบางกังวลเนี่ยมัน หนึ่งทำให้หลอดตุ้มสองไม่ช่วยอะไรอีกึ้นและเราต้องโดนในเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นมาเลยมีภาสิตที่เบลก็บอก ว, ว่าปัญหาอะไรที่แก้ได้ถ้าปัญหาแก้ได้จะต้องโดนอะได้อกมา มีเหตุอะไรที่จะต้องบนสรุปก็คือไม่ต้องตไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่แก้หรือีแก้ไ่ด้ถ้าสมาแก้ได้ก้นทา่ถ้าไั่หาแก้ไม่ได้มีเหตุอะที่จบถ้าใจบรบาบีที่สุดเนี่ยความค้จะลดลงเราจะมีใจใจใสใจเบาสามารถคิดอ่านแก้ปหาต่างๆได้ดีขึ้น ก็ใจอยู่ในปัจจุบนันไม่ได้แปล่ามีคาแคนไม่ได้แป่าปมแม่งอรมโกรถ้าเราใช้ปาไปเราค่อยรู้ว่าการปัจจุบนันเนี่ยมันจะช่วยเราไราเป็นสูตรแล้วก็สามารถที่จะรับรูบ้ค ว, ว, วม า, ามทุกข์ตอที่เราอยาผ่านไปแล้วก็ยิไม่ต้องมาสนใจเพราะว่าไม่ีเวเลยที่จะคิดที่ณอันที่สองคือการที่เรา รู้จักมองในแง่ดมองในแง่ดเจ็บป่วยเราจะมองในแง่ดีได้ไหมที่คุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยมองผมว่าตี่นเต้นเลยตังแต่ว่าการที่เสียใจในที่ตระเวนแทที่จะพุ่งให้ความรู้สึกดีถ้าบอกว่าอโชคดีนที่เราบรรลุตอนนี้คือมารู้ว่า ขึ้นปแค่ทนที่หนึ่งท่านสองดีแล้วคือมาร้ต่อไปถ้ามารุ้หลังจากนี้เนี่ยอาจจะแก้ไม่ได้ถ้าเินมะเล็นเกิทุกข์นะก็กลับยินดาเพราะเธอโชคดีที่เรารู้เรารู้ก่อนคนที่มีปัญญานะพอรู้เป็นมะเร็งนะ มันไม่ใช่แค่ป่วยใจนะใจก็ป่วยเลยซ้ำเกิดป่วยอีกคนนี้ที่มีปัญญาจะซ้าเกิดป่วยเสอเลยป่วยตาไม่มอป่วยใจซ้ำอีกป่วยป่วยตาน้องมาเองแต่ป่วยใจนี่ใครทำให้มั้าเองก็ไม่ทำให้ป่วยใจใจของราเอมนทำเองถูกโกงเงินไป แารที so ่เส you, you, you. ียแต่เงินเสียใจก็ไดีแม้แต่แม่นาี่เสียสองต่อเเสียทั้งเงินเสียทั้งใจเสียเสียสุขภาพเสียอะที่คนอื่นให้คนนงเป็นปูตาแต่เสียใจเสียสุขภาพเปนตัวเองฟังเองนี่เพราะมีปัญญาเราก็เลยซ้าเกิดตัวเองตัวเงเสียทั้งเงินเสียทัสุขภาพหรือเสียใจสุขภาพกิ แต่โดยเรารู้จัมองที่อากรนะอย่างน้อยมั น, นปวดใตายใจให้ปวอย่างตัวอย่างเทต่จะมารักใจแล้วก็พูดบ่อยมากเพืนะ่อเพลดยทีเ่เป็นเซลลที่สีที่เป็นบริเวณบริเสมองอาสาสาไปเยี่ยมเด็กตรงนี้พูด จ, จที่แยใสายแปลกใจเหน้าที่ผมมีรูป คุยไปคุยมาแย่ก็บอกว่าดูโชคดีที่ไม่ได้ตื่นมาเลนวันลูกมีญาติไม่ได้ตื่นมาเลยวักปวดมากเลยดูโชคดีในญาติในสมองดูโชคดี็นญาติในสมองให้พวกเราเนี่ยถ้าเจอว่ามีความทุกข์นะลองนึกเหตุตรงนี้ว่าอยู่ใามเป็นสมองตายดีกว่าเพราะฉะนั้นก็โชคดี มองให้ปวดเราต้องมองให้เป็นรวมกาบอาึดอัดเห็นประโยชน์จากความเจ็บปวดจากพรองที่เกิดที่นขอเราถ้าจารย์าบอกว่าปวดทุกทีก็ให้ฉลาดทีปวดทุกทีให้ฉลาดทีฉลาดเรื่องไนฉลาดเรื่องสังขารว่าสังขารไม่เที่ยงนะ ความปวดระคายเนี่ยถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยเราได้ได้ทำบ้านว่างเลยเขาจะมาสองเราเขาเตือนใจว่าสังขารเราไม่เที่ยอ so, ันนี Kah ้เราได้ทําไรว์เรียกว่าฉลาดได้ปัญญาถ้าได้ป่วยแล้วทุกเหนี่อถามถูกสอนต่อทุกการทุกใจแต่ถ้าป่วยแล้วเนี่ยเกิดปัญญาเห็นถามว่างเ สังเกตไม่เทีย่ยงเวลาเราเงิน้อยลงนะต้องเด่งทาความดีต้องไม่งประวับิของชีวนะอันนี้เราได้ต่อไปด้วยวัชบานะเวลานานการลงเหลวถ้าเราแต่ทุกขนะฝันถึแต่ถ้าเราหอนเนี่ยผมก็จะาก็เอมันเป็นโทเรีนสอนใจว่าอะไรที่เรกต้อง ก็ทำให้ไราได้ไรเพราะว่าโมเดลนี้สามารถจะไปใช้ในโอกาสหน้าได้มีบางคนเนี่ยทำธุรกิจกลัวความล้มเหลวมากเลยจะทำงานอะไรอย่างไรลงทุนอะไรอย่างนียจะต้องลงุนในสิ่งที่ชัวร์นะกลัวล้มเหลวมากก็เลยไมกล้าทำอะไรใหม่ แล้ววันหนึ่งขนาดก็าช ว, วนนะมันวอยังผิดคาธุรกิจเกิดจะล้มลลายขาดทุนมากมายแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นดีนะพราเขาให้พบ ว, ว่าธุรกิจเจ๊งแต่ว่าเขาก็ยันอยู่ได้คือเคยคิดว่าวเขคาคิดว่าถ้าธุรกิจ ลมละลายว่าทางที่มามันก็ควรจะแห็นเขาว่าโลกนีที่หน้าฟ้าดหลบฟาดตะวายแต่เขากว่าโลกเหลือไปแลป้วกูว่ามันก็ไม่ได้เลว ร, ร้ายอย่างที่เขานึกก็ทาให้เขาเลิกฟมฟุ่มล้มเหลวเพราะได้พบว่ามันไม่ได้เลวร้อะไรที่เขาคิดและทําให้ฟ้าเนี่ย ตางที่จะทำในใบที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันก็ทำให้หเขาสนุกกับงานของเามากขึ้นถ้าความรู้เรื่องมันดีมันทำาห้เราเห็นว่ามันไม่ได้น่ากลกัวในตัวชิสเร้อมองให้เห็นถ้ามองไม่เห็นเนี่ยก็ขาดดูรู้จักชื่นชนสิ่งที่เรามีสิ่งดีทีะเราดี เวลาเราเจอกับเคราเวลาเราเจอกับสิ่งที่ไม่สมหวังเนี่ยใจปปอย่าไปฝักฝูจากตรงนั้นให้หั น, นกลับมาดูว่าเรายังมีสิ่งดีๆอยู่กับเราอีกมากมายคนที่มีปัญญาเนี่ยพอเจอพอไม่สมหวังเจอความทุขใจทุกข์ฝักยู่ตรงนั้นให้หักลับมาให้เห็นว่าที่ดีนั้นเนี่ยเรายังมีอะไรดีมากมาย พี่ๆคนนั้แกเป็นตรร้นทัศนีย์เป็นโรคโรคทางเลือดนะเป็นกาลพันซึ่งทำให้หมีอายสั้นหมอบอกว่าใจได้ถึง20ปีราะว่าอยู่ได้เนพะิ่งเสียที่ิตไปทม่ีแล้วอายุ30แต่ว่าที่หน้าแปลัคือว่าคุณภาพชีวิตธเธอนี้ดีมาก ้าที่ร่างกายแข่งกรงก็ะดูกกรอบขาเป็นประจำแต่เป็นคนที่มีความสุขยิ้แยงแจ่มใสชีวิตมาภาพผู้เสียชีวิตแบบ น, นีแล้วเป็นคนที่มีความสุขนึกเธอให้เห็นผลว่าถึงแม้ว่าเรื่องฉันจะแย่แต่ฉันยัมีตาเห็นสิ่งสวยงามฉันยังมีจมูก โดนกลิ่นหอมใจมีหูฟังเสีงที่ไพเราะใจมีปากที่ดี่หอมร่ได้แล้วก็ยังสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วความสุขไปเรื่อยได้ี่กระ่คนที่ยูดจะตายหรือไรแล้วคนที่เจ็บป่วยเสมอแต่เธอใครที่มันเจ็อดหรือว่าเจ็บป่วยใที่มันเจบจอเลืองที่ไดีที่มีปัญหาเพื่อทำใจอว่า เออฉันมีอะไรดีเนาะจะให้ดวงตาบริสุทธิยร่างกายที่สามารถทิ้งตาได้จะให้ตาไม่บอดไม่หงอย ก, <ม>ก็มีความสุข ม, มีความพอจใจแต่ละที่บางคนบองเป็นๆนะรา่างกายมีสุขภาพดีนะมีกระพริบ น, น, นะหน้าตาสาวสวยแต่ว่าเป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายนอนไม่หลับ รู้ใจเพราะใจจอดแบบสิวไม่ตีแม่งบนใบหน้าการที่จะมอเะงเธอจะมีเมียดีมากไปดีพอถูกขโมยเงินไปถูกโกงไปหกสิบล้านที่ชาตไต้หวนะันอย่าไร้สางก็เสียใจอยสองสวันหลังจากนั้นก็ยินได้ เือถามว่าทำไมเธอไม่เสียใจเหมือนสามีเธอเธอก็ตอบว่าก็มนได้ว่าคืงน่าจะปูกโกเงินไปแต่ว่าจะได้มีอาหารอร่อยๆกินจะได้มีบ้านที่สะดวกสบายและจะมุ่กใจของไปนะคือเธอแค่ที้มาติดต่อใส่ใจของที่หายเธอมาใส่ใจเรื่งที่มีซึ่งมันไล่ความสะดสบายกับเธอ บ้านที่ยิง่งใหญ่โตอาหารที่ีกินสบายแต่บางคนนี่เงินงหาได้ถูกโกงไปพัเนนงินหรือว่าได้ค่าจ่ายถอนเงินขาดไปสิบบาท น, นู่นมองไม่เลยคับมีคนไปเที่ยวไปเที่ยวอินเดียจะไปทัชมาฮาลหมายมัน่นฝั่งมือจะไปทัชมาฮาลไปแลกเงินตลาดมืดนะ ทีเดียวมันมีสถานเร่อกา ร, การแรกเงินไปนเร่เงนตลาดนู่นะ้าก็ให้เงินรูปีจะเอาเงนตอนล่กไปแรกเป็นรูปีาปขาดไปประมาณสักร้อยรูปียังนะโอแก่โมโหมากเสียแค้นใจมากและทั้งวันนั้นเนี่ยไม่มีความสุขเลยเที่ยวทัศน์มหาวิทยาสนุนเกเลยพระจ้า่ที่แต่เงินร้อยรูปีที่เสียไปผู้ชายใช้เงินมาหลายหมื่นนะเพื่อจะไปทัศนมหาวา แต่ว่าแค่ว้อยลูกปีมันทำ ใ, ให้ความสุขหรือว่าประโยชที่ได้จากการไปเที่ยวเนมันหายอันนี้เราไม่มีปัญญาเพราะว่าไอ้สิ่งที่พระมหาเนี่ยมันปรากฏต่อหน้าตากัาใช่มแทนที่จะซึมซับเขาเอาความความสวยงามหรือว่าความสุขที่จะได้จากการไปเที่ยวตามความฝันลับไม่ได้เพราะเป็นสียนจหรือจเสียไป ลือเปิดใจรับเปล่สิ่งใหมเมื่อเมื่อนี่โค้บสองปีคือสภาที่ไม่ดีว่าก็เกิดโค้บสองปีที่เกิดเด็กกลางกรมต้องสร้างดีเมื่อสิบกลางพ ภ, ภาเนี่ยสองปีที่แล้วมีการเผาห้าสั์ หลายแห่งในกรุงเทพก็มีสุกี้ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศเโดนลุกหลงไปโ ด, น, โ ด, น, น, โดนเผาไปสีส่สาขาผู้จัดการก็มารายงานด้วยความเสียใจว่าถูกเผาไปสี่สาขาหมดไ ป, ไปสูนย์ไปหลายสิบล้านมารายงานที่สี่หัวสี่คนนี้แน่เพราะเกิดจเจ้าของเนี่ยนะ จเจ้าของเกิดัทสกีนี้ฟังแทนที่จเสียใจ ก, กับคอาใจลูก น, น้องว่าสาขาเราถูกเผาสี่สาขาแต่เรามีต้อง320จะเสียใจทำไมเลยเดืมดต้อง316สาขาที่ยังทำอะไรได้เลยนะเนี่ยนี่ก็คือการมองแบบมองแง่บวกกันการที่มองเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แทนที่จะไป ไปทุกกับสิ่ที่เราเสียไปอันนี้ตาขมองเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปัญญานะสสการินนะไม่ว่ามีดวงนิสโสนศีกาซึ่งสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่รับดู้นะกับความผำขลัญารากวนในโลกนี้ไนดะ้เพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะปีนเยียมป้องกันความสูญเสียหรือว่าความพล้ดพาดได้ แต่เช่นไงเราจะรับมุอกัได้ตรงนี้เรต้องใช้ปัญญาเนื่อเราพูดปัญญามานอนแจริงๆยังไม่ได้เป็นกินรุร่นา อ, อ, อะที่ว่าข้ามาที่พระครูพระครูนังคุณซึ่งเป็นต้นฉบัิ ป, ปัญาที่สองปัน ก, ก็เพราะว่าเวลาเลียน้อยกรุ่นเนี่ยมัน ตัวเราคนรว่าความแม่ตาตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เปิดให้เราเนี่ยได้เอาความดีของเราเนี่ยออกมาเพื่อที่จะทำประโยชนให้กับสรรพสัตว์หรือทำประยน์แก่ส่วนรวมเกิดขึ้นจากใจที่มีความเห็นแก่ตัวน้อยยิ่งมีความเห็นตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งที่จะมีแม่ตาตัวมากขึ้น แต่นราการการที่เรามีแว่นตาเป็นมุ่งาหรือเครื่องตัวสบตัว่เนี่ยมันก็สยย่งผลย้อนกลับมากรองต่ อ, อ, อจิตใจให้เราเป็นกาตรวจน้อยลงด้วยเมื่อเราใส่แว่ตาทุกวันทุกวันทักท่ที่เราเก็ยังมีความปวดความเครียดอยู่อย่าแต่ถ้าเราใส่ด้วยใจที่จริงจังความปวดความเครีด็จะลดน้อยล ง, งแต่ดิ่งขึ้นว่าเราไม่เนียนจัดการแว่ตาเพราะนั้นแต่ว่า เราออกไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะการที่เราไปช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยแต่ว่าเวลาเราไม่ได้มันไม่ได้ดีกับผู้อื่นนะมันมีกับเราด้วยมันทําให้ความทุกข์ของเราลดลงเมื่อจะมีความทุกข์กายความทุกข์ใจนี่เพียงคนหนึ่งจเป็นใบเฟรม ปวดหัวเป็นประจำปวดหัวข้างดเปนประจำซีดเบือเนประจำต้องกยาซึวันมีช่วงนเนี่ยเธอเป็นเป็นาศาสมบัตวดเด็ที่บ้านปอเปมึนมนเป็นอาสาสมบัตอาทิตย์ละสองครั้งไปนวดเดไปเล่นัเด็พ่อเป็นเด็กที่ถทิ้งบามีพ่อแม่มีปัญญาเรียนซ่อมให้บ้านปมดเปิดเองนีตั้งแต่เดสามเถึงเด็กเก้ ก็เป็นนายสาวสัครอยู่ประมาณก็เป็นเดือนนะแต่ว่าพอทําไปได้สักสองสามวันที่สร็จขึ้นมาได้ว่าไม่ได้กินดาอยู่กินดาวันไหนที่ไปเล่นกับเด็กเนี่ยจะลืมกินยาทำไมยืมพ่อมันไม่ปวดเติมการใจขึ้นมา พอไปเล่นกับเจดกับจินาสาสนอบเนี่ความโวดหัวมัหายไเลยเธไม่รย้กินยาอาการเกิดีขึ้นเธอก็เลยพบว่าทีแรกเนี่ยว่าจะไปช่วยเด็กจะให้อะไรพด็บว่าเด็กกับให้อะไรกันให้ให้กับกดโดยที่เป็นผลของการที่เราเนี่ยมีจิตใจ เพื่อเื่อตัวแก่เพื่อลูกหเวลาเราทำอะไรคพือลูกอลูกเนี่ยจโดยตังใจไม่ตั้งใจจะยรู้โดไม่รัวเนี่ยมันทาให้ความรู้ของเราเนี่ยลดลงหรือทาให้ความรู้ของเราลดงเองอาตมาไม่ทราบเคยเล่าหรือเปล่าคทีแรกเรื่องน้องโยนอโยเดนเผู้ชายเจววันหนึ่งป้าเนี่ยชวนน้องโยซ้อมมอเ ก็ไปยิเงเลยปรากฏว่าเกิดรถชนรถมอร์ไซค์พงป้ามีแขนหนักไปข้างนแต่น้องโยนขึขาเล็กอยู่ข้างป้าร้องตบตัวตลอดทางที่นาสน่งรงาบาแต่น้องโยนเงีไม่ร้องสําแหงไปที่ห้องผ่ า, าตัดหอผ่าตัด้าเสร็จหมอสงสัยถามน้องโยว่าทาไม น้องโยไม่ร้องเลยน้องวยบอกว่าผมกัวป้าเสียใจครับน้องโยคิดถึงป้าเห็นป้าร้องโอดคนน้องยวก็ไม่อยากจะให้ป้าแบบเป็นชู้มากกว่านี้ความที่ใจในเรื่องความทุกข์ของป้าจะจะช่วยแบบเบาความทุกข์ของป้าทาให้น้องโยเนี่ยให้ความเป็นคนรุ่งเรืองในเรื่องเป็นมิตเป็นเรื่องที่พอทนด้ ในเวลาเนี่ถ้าเราผิดมันมากขนานนความคงเราไปเรื่อนไปนี่ปีหนคนหนึงเนี่ยเขาใชญี่ปุ่นไง่ช้อวาสกีแต่นี่ที่มาของหนังสือเรื่อง d i เร y o อเ s ชาซึ่งทำเป็นหลังไม่ัดเอสิบปีที่แล้วคิดเธอํำเพงกับโปรจรรำเพงเป็นรู่นเด็กกำพ้ายากจนนะพ่อแม่ตายนะต้องมาอยู่กับ ลงต่อมาสุดท้ายมาเป็นนางมารับใช้พวกกีชาในเรื่องเกยวโกรพิษเทลังเทนบรรทุมากต่อหลังก็เสียน้องแล้วก็เสียเสียเสียคนักผู้่นใจมั่นว่าฝากเส้นสุด้ายตก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยกาเดินออกไปที่เข้าไปในป่าตอนฤดูหนาวหิมะปกหนาที่ว่าจะตายอ บอกว่ามีคนแก่ชายชรามาช่วยชีิตเธอไว้แล้วกอได้ฟังเรื่องราววสกีชายชราเขบอกว่าคนที่ที่ถูกแตตัวเนี่ยก็รู้ว่าอยากตายมันประโยชนี้ทําใ็นเหมือนเล็กที่แล้วก็ชายชราบอกว่าทำไมเธอไม่ลองไปทำอะไรเพื่อช่วยผูอ้อู่ ถ้าว่าเธอลองไปช่วยเหลือไทรสักคนทำทุกวันได้เทเหเดินที่ยังอยากจะฆ่าตัวตายก็ให้บอกฉันฉันจะช่วยเหลือตายสงใจงที่ราสีกีได้คิดขึ้นมาตั้งแต่แตวันนั้นเนี่ยเธอก็เริ่มไปทำประยชนให้เด็กยั่จนถามไม่ถานให้ฟัง เรามีผ่านใี่เห็นด้านจนเด็กเล็กร่อนในเด็กโตที่แรกก็วารละคนนะคนตอนลังก็ไปซื้อหนังสือมาแจกแล้ววันละเดือนหรือว่าให้ที่แค่ต่ายนี่เป็นเป็นตัวอย่างว่าคนเราถ้าเราคิดถึงผูดอมากท่าไรเาจะน้นการฟูลรางให้ความอเรานเเรื่องเลยแต่เป็นเรื่องที่คนได้ไม่ดีแน่ต้องกลับทาให้เราปบมีความสุขเพื่อเราช่วย่ อะไบางเรื่องสําคัญมากพวกก่าปฏิบัตนี้เนะี่ในยุคที่ผู้คนยิ่งนมาสนใจปฏิบัติธรรมมากขึ้นอมาสนใจเรื่องการทําบุญมากขึ้นก็มีปรากฏการณ์อย่างนึงคือว่าคนเนี่ยจะมีใจเรื่ อ, องถอนต่ อ, องี่น้อยลงมีนักปฏิบัติธรรมหลายคนที่สนใจแต่ความสุขของตัวเอง จนล้าเลยคนอื่นพี่ผู้ชายมันจะปวดเป็นมะเร็งขอคอเนี่ยลำบานใหญ่ไปกว่าข้างแกตั้งไม่ได้ต้องต้องต้องมาตัวเนี่ยแรกก็คือแนกแรกก็คือหนื่แก็เปแล้วก็ปูวอัตมาวิที่ยัแจะจกก็มีกำงใจดีนะแต่ว่าพอแกกลับไปที่บ้านก็มีใครดูแล ที่จริงมีน้องมีน้องสาว ม, มีพี่สาวแต่พี่สาวไม่สนใจพี่สาวก็ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดใกล้ๆเตรียนราก็ไปตางไปขอร้องพี่สาวมาช่วยน้อง ม, มอาดูแลน้องพี่สาวบอกว่าไม่ช่วยนะเพราะธการของเขาก็ต้องรับรังเ ข, เขาเอง ฉันจะเริ่มตั้งเป้าไปแล้วก็เริ่มังที่ขาดไม่ด้คือการนี่มันจะเป็นนัปฏิบัติธรรมได้อย่างไรต่เนด้แบบนี้เยอนเลยสองวันก่อนก็มีคนปึกษาเรามาผู้หญิงอายสามสิบนะชอบไปว่าไปว่าไปปฏิบัติธรรมช่วอเยอไปทาบุญ ไปเจอสมาธิภาวนานแต่ว่างานบ้านไม่สนใจพ่อแม่อายุหกสิบเจ็ดสิบก็ปล่อยให้พ่อแม่ทำปล่อยยังไม่มาบอกว่าพ่อแม่หนุนกาลังอยู่ก็ให้ทำไปสิไม่รู้กับพ่อแม่หรือกัเพื่อนนะพ่อแม่อยู่กําลังก็ให้ทำไปส ตอ น, นที่พ่อมีแม่ทำไปมันเป็นลมญาติาก็ต้องหาขากอกให้ยาติที่บอกภาษาประมาเกตอกมาดูภษานับปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่มีน้ำใจกัรกับาพ่อแม่ไม่ใช่มีน้ำใจเมือนน้องชายถ้ากาักทาพ่อแม่ก็ก็ไม่มีแต่จะปฏิบัติธรรมมีลองตัวอางมาว่ามีคนบอกว่า ทำรุ tarde, ma. un, ่เนี่ยจะแตกางที่สมสมได้ใคร่มากนะจะแก่าสมได้ใค่มากเดี๋ยวอุ่นของเราจะลดลงมันจะเหลือน้อยคนเดียวนี้เองเก็ตัวขนาดนี้เลยนยแม่ข้ามุก็ไม่ยอมแป่งนั้นนี่แสดงว่าไม่ต้อใจแม่พรอทใจแม่ื่างยืนการองพุทธศาสนาเพราะว่าในพุทธศาสนาเนี่ยท่าน บอกว่าคุญนี้เกิดจากการกดที่ส่สวนผสมให้เรียกว่าปฏิหารใหม่หมายความว่ายิง่งเราหนุนที่ใช้กับผู้อื่มากเท่าไหเราจะ่งได้ประมากขึ้นเราไม่ต้องทำเงินเด็ดทาดเลแค่กดที่ส่วนรุมให้กับผู้อื่นเราก็ได้บุะมากขึ้นหรือว่ายินดีนในความพีอยูย่นในทาง ปัตตามทโพทนาใหม่ก็เป็นอยูพระเจําเป็นเพราะว่าเทียนเนี่ยนะเราไปต่อให้คนอื่นมันก็ไม่ทำให้เทียนเราเนี่ยลอยรล่องเลยเราไปต่อไฟให้มนอื่นคน อ, อื่นมันก็ทำให้สว่างสวายขึ้นและเทียนเราก็ยัลงเลย แต่จริงเราได้ประโยชน์โดยเคร่องเคงสว่างสวยก็ทาให้มันเป็นอะไรชัดเจนอาจารย์เชื่อในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลกุศลเนี่ยสำคัญมากเลยก็การปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราหุ่งแต่ปฏิบัติธรรมาเนเรื่องของการความเมตตากรุาการบอกต้องเมตตากรุาเ่มันจะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ผิดางาดได้ทาให้คนนั้นเนี่ยมีความทง่าย เพราะว่าถ้าเราที่ถุงตัวมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะทุกข์ง่ายแล้วก็สุขยากต่อาชีพข้ากถ้าเรามีกตากูลนามากเนี่ยเราก็จะสุขง่ายแล้วก็มีความมั่นยาคนที่มีกจะตัวมากเท่าไหร่แม้จะปฏิบัติธรรมนรายเนี่ยมันก็ความทุกข์ก็อาจจะไม่ได้ลดลงเท่าไหร่เพราะว่ามันทํารื่อความอยากทำเร่ความเห็นแี ตอนไี้อีจใจที่อยางกระทำก็ยากที่จะเป็นเลยแต่ถ้าเราเรื่องดาวกูณาเนี่ยความทุ้ของเราจะการเป็นเรื่องเลตัวตัวเราจะเล็กลงความที่อยู่นัตัวจะเซึ่งก็ทาให้มีความได้ง่ายขึ้นพราะะันเนี่ยเรื่องรปัญญาคุณะาคือเรื่อคัญถ้าเราเจิริญบอกเมตตาให้มากขึ้นอิจใจที่เราจะเปลี่ยนเพและถ้าเรามีตาเราก้าวู้ ไม่มีแา น, นผู้เดินพาสุทสองเดินพาสุทเทงนั้นที่เราก็เตินพาสุดด้วยธรมาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ที่ว่าจะสองนี้สิเด็กคนนี้